เพชรพระอุมาภาคสตอนมงกุฎไพรเรื่องยอดในภาคสองที่ผ่านมาแล้วเหมือนเคราะหกรรมมาบังอีกเจ็ดวันจะถึงรอบวันเกิดของดารินซึ่งหล่อนมาขอร้องเขาจนถึงน้องน้ำแห้งเพื่อให้ขึ้นไปร่วมในวันเกิดให้ได้ระพินก็ถูกคำสั่งรับสุดยอดจากกลาโหมให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นมัคุเทศนาทางให้แก่อเมริกันชุดหนึ่งเพื่อเดินทางค้นหาตาแหน่งตกของบีห ซึ่งบรรทุกระเบิดนิวเคลียร์ขนาด10เมกะตันและต้องการจะกู้ระเบิดกลับคืนไปให้ได้ภายหลังจากบทปัญญาที่จะค้นหาตำแหน่งตกที่แน่นอนทางอากาศได้แล้วเครื่อง B-52 ลำนั้นสูญหายลึกลับเหมือนหลุดเข้าไปในแดนสนธยาอย่างไม่เต็มใจและชอกช้ำใจที่สุดในอันที่ต้องจากคนรักไปโดยไม่แน่ว่าจะได้รอดชีวิตกลับคืนหลังอีกหรือไม่ ระพินจำต้องปฏิบัติงานให้แก่ประเทศชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และตัดใจคิดปลงตกว่าวาสนาของตนเองชาตินี้คงจะไม่มีโอกาสได้อยู่ร่วมกับคนที่ตนรักแน่นอนแล้วเนื่องจากฐานาและสิ่งแวดล้อมผิดกันมากเขาจึงปฏิบัติงานครั้งนี้อย่างเงียบๆโดยไม่กล้าส่งข่าวให้ดารินรู้ล่วงหน้าเลยเป็นการจากไปอย่างไม่มีวันจะกลับ ในจำนวนานาจ้างอเมริกันซึ่งแท้ที่จริงก็คือสายลับชั้นยอดได้รับคำสั่งมาจากหน่วยเหนือของประเทศของตนเช่นกันชุดนั้นสี่คนมีสองคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์และธรณีวิทยาคนหนึ่งเป็นนักเคมีฟิกสิกงอีกคนหนึ่งสาวสวยจัดด้วยกันทั้งคู่แต่แยกไปคนละแบบและอุปนิสัยคนหนึ่งคืออิซาเบลอีกคนหนึ่งคือคริสตินา นอกเหนือไปจากนายฐานหนุ่มไทยคนหนึ่งที่ติดไปด้วยในฐานะตัวแทนฝ่ายการข่าวกลาโหมอันจะเป็นการชนระหว่างฝ่ายระพินและพรานพื้นเมืองกับนายจ้างสังกัด CIA ซึ่งมีด็ตอร์สแตนลีย์เป็นหัวหน้าและพันเอกคีดเป็นผู้ช่วยก่อนออกเดินทางระพินฝากจดหมายลาดารินไว้กับนายอัมพลกำชับให้มอบจดหมายลานั้นให้ ภายหลังเมื่อเขาออกเดินทางไปแล้วเจ็ดวันอันจะเป็นวันเกิดของดารินพอดีด้วยความขมขื่นเศร้าหมองและหงุดหงิดแต่ระพินก็นำทางด้วยโดยซื่อสัตว์สุจริตต่อนอายจ้างใต้อนุสติแฝงความชิงชังหวาดระแวงไม่ไว้ใจไว้ภายในเมื่อตรวจสอบจากแผนที่ทางอากาศโดยสังเขตของฝ่ายอเมริกันก็พอจะจับเขาสังหอนว่าเส้นทางเดินจะต้องตัดไปในนรกดา อันเป็นเส้นทางมรณะที่เขาเคยนำคณะของคุณชายเชษฐาไปติดตามคนหายแถบเทือกเขาพระศิวะนั่นเองแต่ก็ยังไม่ปริปรากบอกเส้นทางให้ฝ่ายนายจ้างรู้ชัดเจนนะักรู้แน่แก่ใจว่ามันเป็นเส้นทางตายหวังยากที่จะรอดชีวิตกลับคืนมาพรานคู่ใจของเขาทั้งหมดสี่คนไปในครั้งนี้ด้วยชนิดไม่มีใครยอมลาทิ้งระพินแบบต้ไหนตายกัน ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่นำทางของเขาบุคลิกความเฉียบขาดประจำตัวที่ไม่เหมือนใครยามเมื่ออยู่ในป่าความหยิ่งในศักดิ์ศรีและไว้ตัวเยี่ยงลูกจ้างที่ดีและความกล้าหาญเสษละตลอดจนฝีมือเยี่ยมยอดในการเผชิญภัยทุกรูปแบบประกอบกับลักษณะท่าทีและกริยาวาจาอันสแดงให้ฝ่ายอเมริกันได้ค่อยๆศึกษารู้ชัดว่า เขาเป็นพรานป่านนำทางผู้ได้รับการศึกษาดีเลิศมาแล้วทำให้แม่มสาวประจำคณะทั้งสองคนเริ่มหันมาให้ความสนใจและอยากจะลองดีในความเฉยเมยมืนชาต่อสตรีเพศของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสติน่าผู้งามอย่างบาดใจลึกซึ้งฉลาดเต็มไปด้วยไหวพริบมีความรู้สึกอันเร่าร้อนผสมไปกับความละเอียดอ่อนประดุดภูเขาไฟที่ปกคลุมด้วยน้าแข็ง ลอนกำลังจะเป็นปัญหาและก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางใจแก่ระพินยอยู่บ่อยครั้งทว่าความรักมั่นคงที่มีต่อดารินทำให้ระพินรักษาตัวไว้ได้อย่างเคร่งครัดโดยไม่เปิดช่องว่างถล้ำติดข่ายสเสน่ห์ที่เตรียมดักอย่างฉลาดล้ำนั่นเลยทั้งชุดบ่ายหน้าห้วยเสือร้องก่อนที่จะเข้าสู่เขตอันตรายร้ายแรงของนรกดาอันเป็นถิ่นที่ใครก็ตามล่วงล้าเข้าไปแล้ว ไม่เคยปรากฏว่าจะมีชีวิตรอดกลับมาได้นอกจากในอดีตที่เขาเองเป็นผู้ที่เคยนำคณะของคุณชายเชษฐาและดารินผ่านพ้นมาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นการเดินทางเต็มไปด้วยการผจญภัยจากป่าที่มีมาในรูปแบบต่างๆตลอดเวลาพร้อมทั้งผชญกับศึกหนักในหัวใจที่วุฒิวิดจะเพลียงพร้อมให้แก่คริสติน่าอยู่หลายครั้ง ถ้าเผลอตัวก็มีความสุขใจเคลิบเคลิมอยู่บ้างเหมือนกันถ้าเป็นตัวของตัวเองเมื่อใดก็มีแต่ความเศร้ามลหมองเขาระลึกถึงแม่ดอกฟ้าดารินอยู่ตลอดเวลาและสิ่งนี้เป็นเกราะกันภัยไม่ให้คริสติน่าชักใจสวัดดักได้สำเร็จซึ่งหล่อนก็ไม่ละความพยายามเปลี่ยนแผนเปลี่ยนนโยบายอยู่เรื่อยๆหวังที่จะพิชิตใจเขาให้ได้การเป็นมาเบื้องหลังของคริส เป็นความลี้ลับที่น่ากลัวยิ่งและบางขณะหลอนก็เป็นคนน่ารักในสายตาของเขาคณะของระพินออกเดินทางไปแล้วเจ็ดวันทางด้านดารินบังเกิดสังหอนร้ายและในที่สุดหลอนก็รู้ความจริงจากนายอมพลว่าระพินมีความจำเป็นที่จะต้องนำทางอเมริกันสายลับเหล่านั้นเข้าป่ามรณนะหลอนช็อกในทันทีหัวใจแทบแหลกเป็นเสี่ยงด้วยความเป็นห่วงคนรัก พี่ชายสองคนคือเชษฐาและอนุชากับเพื่อนตายคือชัยยานรู้ข่าวก็ตะลึงและไม่สามารถที่จะทนเห็นความโศกเศร้าของน้องสาวคนเล็กได้เมื่อทบทวนถึงความครั้งเก่าที่เคยร่วมเป็นร่วมตายกับระพินมาก่อนแล้วทั้งชุดจึงตัดสินใจเดินทางติดตามทันทีโดยมีนายอัมพลเป็นผู้ให้ข่าวโดยละเอียดทั้งหมดดารินยิ่งว้าวุ่นเมื่อรู้ว่าในคณะเดินทางของระพิน มีแม่มสาวสวยสองคนร่วมเดินทางไปด้วยแต่ก็พยายามจะตัดใจไม่คิดในทางอากุศลเพราะเชื่อมั่นในความมั่นคงซื่อสัตย์ของคนรักเป็นการบังเอิญประจวบเหมาะที่สุดก่อนออกเดินทางโดยเริ่มต้นที่หนองน้าแห้งคืนนั้นครูพานนานอินอันเป็นพรานคู่ชีพของอนุชามาก่อนและขยินจากกลมช้างได้เดินทางมาถึงร่วมสมทบที่จะออกติดตามด้วย สาเหตุที่ทั้งสองมาถึงหนองน้ำแห้งโดยไม่ได้นัดกันไว้เป็นเหตุประหลาดตรงกันคือทั้งสองเล่าว่าแงซายซึ่งบัดนี้ได้กลายเป็นจักรพรรดิแห่งมรกรนครได้มาเข้าฝันบอกให้รีบออกเดินทางมาพบคณะของดารินคณะของราพินออกเดินทางฝ่าอันตรายไปก่อนแล้วล่วงหน้าเจ็ดวันคณะของดารินจึงสาวรอยติดตามไปอย่างชนิดทับเส้นทางเพื่อตรวจสอบร่องรอยหลักฐานต่าง พระพินผู้ล่วงหน้าไปก่อนพบอุบัติเหตุและอุปศ ร, รคนานาประการทําให้การเดินทางต้องหยุดชะงักบ่อยครั้งส่วนคณะของดารินซึ่งมีนานอินกับขยินตลอดจนอนุชาอันมีอดีตเป็นพรานมือดีมาก่อนติดตามกระชั้นชิดเข้ามาเป็นลําดับและสามารถอ่านเหตุการณ์ของฝ่ายที่ล่วงหน้าไปก่อนได้แทบทุกอย่างจากร่องรอยที่ทิ้งไว้หัวใจของหญิงสาวเศร้าโศมทุกขนะัก เต็มไปด้วยความปริวิตกและกังวลนานาประการระหว่างเดินทางได้พี่ชายและเพื่อนคอยปลอบใจไว้หลอนตั้งปฏิทานว่าถ้าไม่ได้ตัวเขากลับคืนมาตนเองก็พร้อมที่จะตายกลางป่าความหวังมีอยู่แค่ลางเลือนแต่ก็ยังพอมีกำลังใจเพราะพบร่องรอยที่ระพินทิ้งไว้ทุกระยะทำให้เกิดความมุมานะที่จะตามให้ทันให้ได้สาหรับการสาวรอยไปได้ในระยะต้นๆ ฝ่ายที่เดินล่วงไปเบื้องหน้าคือระพินไม่มีโอกาสทราบเลยว่ายอดรักของเขากําลังสละหมดทุกสิ่งทุกอย่างติดตามตัวเองมาพร้อมกับพรกพวกร่วมตายคณะเก่าโดยคิดอย่างท้อแท้ว่าถึงแม้จะรู้ว่าเขาต้องออกเดินป่ามาอย่างไม่มีอนาคตหญิงคนรักก็คงจะไม่บ้าเลือดกล้าตามมาและหวังว่าเมื่อเนิ่นานานออกไปหล่อนก็คงจะลืมเขาไปได้เองแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ ดารินเสี่ยงชีวิตมาตามเขาด้วยความรักสาวรอยอ่านรูปการไปทุกระยะและทำเวลาได้ดีกว่าโดยไม่เสียเวลาอะไรเลยแม้ว่าจะมีอุปสรรคอันตรายต่างๆมาคอยกีดก้านสกัดกั้นไว้ล่อนกับคณะก็สามารถคลี่คลายฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้เป็นเปลาะเปลาะนอกจากนั้นอินและขยินแล้วจะเป็นด้วยรักแท้หรือสัจจาอธิษฐานอันแน่แน่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม หล่อนได้ช้างป่ากเกเรตัวหนึ่งชื่อเจ้าด้วนอันเป็นช้างที่ระพินไม่เคยคิดฆ่าหรือทรอันตรายใดๆมันเลยมาเป็นมิตรสนิทคอยช่วยนำทางช่วยเหลือป้องกันภัยและเตือนสัญญาณภัยให้หล่อนทราบล่วงหน้าตลอดเวลามันจงรักภักดีและจะเชื่อฟังแสนรู้เฉพาะหล่อนเพียงคนเดียวเท่านั้นร่วมขบวนติดตามไปด้วยห่างๆแล้วคือสาคัญที่สุดของเหตุการณ์ในตอนจอมพรานก็มาถึง คืนนั้นคณะของดารินมีความจําเป็นที่จะต้องหยุดพักแรมบนยอดสักดำก่อนจะเข้าถึงห้วยเสือร้องอันเป็นสถานีสุดท้ายก่อนที่จะเข้าเขตป่านรกดํามันก็เป็นคืนเดียวกันกับที่ระพินนําคณะนายจ้างอเมริกันผ่านเข้าเขตนรกดําแล้วตัดปีนเขาขึ้นยอดรูปนกอินทรีทางหัวปีกด้านซ้ายพบกับความแห้งแล้งกันดารและความร้อนอบอ้าวผิดปกติบนยอดขาที่ไต่ขึ้นไปถึงนั้น และพบกับบ่อโคลนเดือดลักษณะประหลาดหน้าพิศวงบนเขายอดนั้นแทนที่จะได้พบแหล่งน้ำหรือพันพืชพัน์ตลอดจนไม่พบวี่แววของสิ่งมีชีวิตใดๆเลยอุณหภูมิบนยอดเขาบริเวณนั้นดูเป็นที่ผิดสังเกตมากแสนชาติยานของพรานเจนไพรและคนเรียนสายศาสตร์ชั้นสูงอย่างเขาบอกได้ทันทีว่าเขาได้นาคณะขึ้นมาสู่เขตอันตรายที่ไม่น่าไว้วางใจ จึงเรียกพรานคู่ใจทั้งสี่มาสั่งกำชับให้เร่งระมัดระวังภัยที่จะมาในรูปแบบอันนึกไปไม่ถึงซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะกำชับสั่งไม่ให้ฝ่ายนายจ้างคนใดออกนอกบริเวณที่พักในคืนนั้นอย่างเด็ดขาดก่อนนอนคืนนั้นเขาสวดพระมหาคาถาชิ น, นะบัญชรเป็นตาข่ายเพชรเพื่อคุ้มครองสรั พ, พภัยให้แก่คณะพักทุกคน โดยทําพิธีภาวนาอยู่ตามลำพังคนเดียวยบเงียบไม่ให้ใครในคณะรู้เห็นตกดึกสงัดจันข้างแรมลอยเด่นกลางฟ้าบุญคํามาปลุกบอกว่าคริสออกเดินนอกบริเวณที่พักนอนเพราะหล่อนนอนไม่หลับบายหน้าไปยังบ่อโครนเดือนที่มาพักกันอยู่ใ ก, ใกล้ๆระพินลุกขึ้นเดินตามไปทันทีทันการที่บ่อโครนเดือนหล่อนก็มีคิดว่าเขาจะตามมา เละเอาวัานอนไว้หลับจึงอยากจะออกมาเดินดูที่บ่อโคลนเดือดลักษณะแปลกน่าสนใจนั้นระพินไม่ขัดข้องพยายามพูดและปฏิบัติต่อคริสอย่างดีที่สุดเยี่ยงสุภาพบุรุษทั้งสองคุยกันอยู่ริมบ่อโคลนเดือดในยามดึกนั้นคริสพยายามจะเอาสเสน่ห์ความงามในตัวเข้าดึงดูดเขาอีกครั้งแต่ระพินก็บ่ายเบี่ยงเลี่ยงหลบไปด้วยความฉลาดและหัวใจอันหนักแน่นปานเหล็กเพชรของเขา โดยไม่ยอมให้มีอะไรมากไปกว่าความเป็นเพื่อนทันใดนั้นเองในบ่อโคลนเดือก็ปรากฏสัตว์ประหลาดน่าสะพึงกลัวชิดนิดหนึ่งผุดโผล่ขึ้นมาลักษณะของมันเห็นในแสงจันทร์ไม่ชัดแต่คล้ายงูสภาพความร้อนในตัวของมันทวีขึ้นทันทีที่มันโผล่ขึ้นมาบุญคากับจันที่ซุ่มดูอยู่ด้วยใกล้ใตะโกนเอะอะด้วยความตกใจ ประพินกระชากคริสพงษ์าห่างออกมาและสั่งไม่ให้ฉายไฟกับทั้งไม่ให้ยิงปืนขึ้นด้วยดูคล้ายกับว่าเขาจะรู้เคล็ดความในอะไรจากประสาทที่หประกอบกับวิทยาอาคมทางไสยศาสตร์ที่เรียนมาจึงสั่งให้คริสบุญคำและจันเข้าไปหลบอยู่ในซอกหินที่กำบังปลอดภัยไว้ก่อนลักษณะของสัตว์ลึกล้ำที่โผล่ขึ้นมานั้นดูจะไม่ใช่สัตว์สามัญธรรมดา เราโลขึ้นมาจากบอ่อโคลนเดือดประกอบกับมีรังสีกายที่ร้อนแรงมากตัวเขาอยู่ใกล้ชิดมันที่สุดและมันก็กำลังเลื้อยขึ้นฝั่งเคลื่อนศีรษะเข้ามาดูเขาผู้ซึ่งไม่มีทางจะหลีกลบหนีไปทางไหนได้ทั้งสิน้นสิ่งที่ระพินจะทำได้ในขณนะนั้นก็คือเสี่ยงสัตว์อธิษฐานและสวดมนต์ขอพรจากเจ้าผู้ครองโยมโลกขณะที่สัตว์ตระูลเลื้อยคลานประหลาด รูปร่างใหญ่โตมโหฬารตนนั้นกำลังยื่นคอชะเง้อเข้ามาดูเขาระยะห่างการเพียงแค่มันจะฟาดหัวลงมาฉกหรือคาบเขาเท่านั้นก็จะถึงตัวแล้วความรู้สึกของเขายามนั้นเหมือนถูกไฟนรกกำลังแผดเผาแต่สติและกำลังใจยังพร้อมมูลที่จะสวดมนต์ภาวนาพร้อมแล้วที่จะสละชีวิตของตนเองเป็นพลีเพื่อขอให้ทุกคนในคณะรอดปลอดภยัย ถ้าหากว่ากรรมเก่าของเขาตามมาทันอันหมายถึงวาระที่ตนเองจะต้องปลิดปลงใช้นี่กรรมเนื้อหาของตอนจอมพรานมาสิ้นสุดลงตรงข้อความสุดท้ายว่าภาวนาสิ้นสุดลงเพียงนั้นความรู้สึกทั้งมวลของระพินไพรวันก็ดับวูบลงคล้ายคนที่ล้มพับไปกลางทะเลทรายท่ามกลางความร้อนที่เหมือนร่างกายทุกส่วนจะละลายเป็นผุยผง บัดนี้ขอเชิญท่านอ่านเพชรพระอุมาภาคสามตอนมงกุฎไรต่อไป